พระตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่ยสิบห้าคุตกนิกายหัวข้อที่ห้าสุตตนิบาตชุมนุมพระสูตรสุตตานิบาตหรือชุมนุมพระสูตรนี้มีพระสูตรทั้งสิ้นเจสบสูตรล้วนเป็นคาฉันทั้งสิ้นบางแห่งแม้จะมีร้อยแก้วปนแต่สาระผูกเป็นคำฉันแบ่งออกเป็นห้าวร์คือวร์ครแรกชื่ออุราควักว่าด้วยอุร akah สูตร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 เนื้อความหรือใจความอัฏกะว r คว์นี้มี16สูตรวร์ที่หชื่อปารายนวร์ว่าด้วยที่มุ่งหมายอันสูงมี16สูตรพระสูตรที่หนึ่งอุราค่ะสูตรสูตรเปรียบเทียบด้วยงูพันนาถึงการที่ภิกษุละความชั่วต่างๆเช่นความโกรธราคะตัณหามานะ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 ก็จะพ้นจากทุกข์เป็นต้นพระสูตรที่สิบอาลาวะกกาสูตรว่าด้วยอาลาวกกายักษ์แสดงการตรัสตอบของพระผู้มีพระภาคในเมื่ออาลาวกกายักษ์ทูลถามแบบคมขูดคาถามคําตอบมีดังนี้อะไรเป็นทรัพย์เครื่องปลื้มใจในโลกนี้ของบุรุษตรัสตอบว่าศรัทธา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 ตรัสตอบว่าด้วยความเพียรจะบริสุทธิ์ได้อย่างไรตรัสตอบว่าด้วยปัญญาจะบรรลุเกียรติได้อย่างไรตรัสตอบว่าด้วยสัจจะจะผูกมิดไว้ได้อย่างไรตรัสตอบว่าผู้ให้ย่อมผูกมิดไว้ได้ละโลกนี้ไปสู่โลกอื่นจะไม่เศร้าโศกได้อย่างไรตรัสตอบว่า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 เป็นคำพันนาคุณพระรัตนไตรทํานองเดียวกับที่กล่าวมาแล้วในกุตกะปาทะพระสูตรที่สิบสีอามคันทสูตรว่าด้วยกลิ่นคาวเป็นสูตรที่พันนาถึงความชั่วทางกายวาจาใจว่าเป็นกลิ่นคาวไม่ใช่ปลาหรือของกินอื่นๆแล้วพันนาถึงการประกอบคุณงามความดีว่า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 พระสูตรที่ 16. มงคลละสูตรว่าด้วยข้อปฏิบัติอันเป็นมงคลได้กล่าวไว้แล้วในขุตกะปาทักพระสูตรที่ส7สุจิโลมสูตรว่าด้วยสุจิโลมยักษ์แสดงการตรัสตอบปัญหาว่าราคะโทสะความไม่ยินดีความยินดีความกลัวในวงเล็บขนพองความตรึก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 นาวาสูตรว่าด้วยเรือเป็นคำสอนถึงการประพฤติ ธ, ธรรมว่าเปรียบเหมือนมีเรือข้ามน้าได้พระสูตรที่ยีสเอ็คือศีลสูตรว่าด้วยประพฤติอย่างไรจึงจะบรรลุประโยชน์อันสูงสุดตรัสสอนให้ตั้งอยู่ในธรรมะพระสูตรที่2 2อุอุทานาสูตรว่าด้วยความมัน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 พระสูตรที่สามสิบหกโกกาลิกสูตรว่าด้วยพระโกกาลิกะมีความพ้องกับที่ย่อไว้แล้วพระสูตรที่สามสิบเจ็ดนาลกะสูตรว่าด้วยพระนาลกะพระนาลกะผู้เป็นน้องชายของอสิตดาบทถามปัญหาเรื่องโมเนยะปฏิบัติคือการปฏิบัติเพื่อความเป็นมุนี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 คำว่าถ้ำนั้นหมายถึงร่างกายพระสูตรที่ส1เอ็ดทุตตะทะสูตรว่าด้วยไม่ให้ติดอยู่ในทิฏฐิอันชั่วสแสดงว่ามุนีไม่ติดอยู่ในทิฏฐิความเห็นเพราะมีคุณธรรมจึงไม่ติดอัตตาหรือนิรัตตาคืออนัตตา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 ห้สบสี่สูตรนี้คือวัคที่หนึ่งถึงสขึ้นวักที่ห้าซึ่งมี16สูตรในวักที่ห้านี้แสดงการถามปัญหาของมานพ16คนซึ่งภาวรีพราหม์แต่งปัญหาให้สิทธิ์ของตน16คนไปทูลถามพระผู้มีพระภาคเพื่อรู้ว่าจะเป็นผู้ตรัสรู้จริงหรือไม่สูตรทั้ง16จึงมีชื่อตามชื่อของมานพทั้ง16ซึ่งแต่ละสูตร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 ปิงคียะหมายเหตุสาระสำคัญในสุตตานิบาตนี้ส่วนใหญ่แสดงคุณธรรมที่ให้หลุดพ้นจากทุกข์ให้ดับ ก, กิเลสเพื่อบรรลุนิพพานแม้คำถามคำตอบของมานบ16คนก็เป็นไปในเรื่องความหลุดพ้นแทบทั้งสิน้นจบพระไตรปิฎกเล่มที่25่ขุตกะนิกาย